เ9ผู้ดับอัตตาสามสำเร็จจึงจะชื่อว่าผู้บรรลุอนัตตาพีชานิยามมันไม่มีทุกข์พลังงานของพีชะยังไม่มีเวทนาจึงยังไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จากสุขเพราะอัตตาของมันยังไม่วิจิตยังไม่มีา่ารู้ที่เป็นอัตตาขั้นสูงขึ้น มาถึงขั้นจิตนิยามปัญญาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานที่เป็นอัตราสามและได้กาจัดอัตราสามไปจา ก, กจิตหมดสิ้นสนิทได้จริงคนผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงภาวะอนัตตาคือผู้บรรลุความไม่มีตัวตนนั้ น, น, น เฉพาะอัตราตัวที่ตนได้กำจัดมาแล้วอวิชาก็กลายเป็นวิชาในความเป็นอัตตานั้ น, น, นเมื่อยังอวิชาคนอาศัยจิตนิยามจึงชื่อว่าอัตตาอยู่ทั้งนั้นแต่ผู้ศึกษาสั ม, มาทิฏฐิแล้วนั้นได้ชำระอัตตาที่ควรกำจัดออกไปกระทั้ง หมดสิ้นไปตามลำดับจนสิ้นเกลี้ยงความเป็นอัตตาที่เป็นอกุศลกิจที่ไม่ควรมีจบเสร็จเรียกว่าอารหันต์คือผู้มีความไม่ลึกลับในอัตตาสสูงสุดแล้วและได้จัดการดับอัตตาสิ้นหมดทั้งสอย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริง เพราะมีภาวะสัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายบริบูรณ์กระทั่งหมดสิ้นเกลี้ยงอัตตาสามแล้วเป็นผู้มีวิมุตเป็นสาระแล้วจึงยังลงสู่ความเป็นอมตะอยู่เป็นบุคคลอมตะที่ยังเหลืออรหัตตานั้นทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่โลกต่อไป พระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพราะมีความสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในพลังงานของธรรมนิยามห้าแท้จริงแล้วจัดการกับพลังงานของธรรมนิยามห้าทุกขั้นตอน ตามที่ต้องจัดการปรุงแต่งอาภิสังขารให้สำเร็จบริบูรณ์ธรรมนิยาม5ก็คืออุตุนิยามพีชนนิยามกิจนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนั่นเองแต่ยังอาศัยอากาที่เป็นขันห้านั้นอยู่ ตราบที่ยังไม่ทำปรนิพานเป็นปริโยสารขั้นสุดท้ายปลายจบไม่เหลืออัตตาใดอีกตามพระพุทธเจ้าตรัสนมูลสูตร1ิพระไตรปิโลกเล่ม24ข้อ58